มันบัชิตทั้งฝ่ายกรงหาสผู้ครองเดเรือนเข้ามาถูาวัดก็แสดงตนสาหรับครวาสก็กลายเป็นจากคริหัสผู้ครองเรือนกลายเป็นอุบาสกกลายเป็นอุบาสิกาปฏิบัติธรรมเนี่ยธรมะหาความสงบงจังกิตอยู่กายแล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 จึงเรียกว่าพุทธศาสนิกเป็นชาวพุทธแท้จริงก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็คือปฏิบัติตรงไหนปฏิบัติที่สิงสมาธิปัญญาท่านมีสติควบคุมจิตได้มีสมาธิรู้ตัวว่าจะทำดีหรือทำชั่วประการใด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 ก็ยังไม่พอกลับไปเดิมสุลายามเมาให้มันเมามากก็ไปอีกคนเราก็เมาันอยู่แล้วเงินงสมองอยู่สเสมอเมาอยู่ตลอดเวลาการเมาโลกเมาโกรธเมาหลงตลอดเวลาการกลับไปกินซูมสุลายาเมาให้มันเพิ่มเ้าไปอีกเลยกลาเป็นอะไรกลายเป็นมนุษย์สแปะโตมนุษย์ซเดลฉาโน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 จะเลียวซ้ายแลขวาจะคู่เหยียดขามีมารยาทเป็นชาติผู้ดีมีจรินธรรมพร้อมไปด้วยศีลสมาธิปัญญาดูในข้อปฏิบัติกุ่งทันอย่าว่าเยาวหน้า ว, า, วายหลังหลอกที่บอกกันไม่ได้นี่แหละกายานุปัสสนาลกายพองกายยุบกายยืนหน่อ5้าครั้งขวาอย่างหน่์ซ้ายอย่างหน่นี่กาย มีสินอยู่ตรงนั้นมีสติอยู่ตรงนั้นสมาธิเกิดขึ้นจากการยืนหน่อห้าครั้งเดินจงกลมเป็นต้นท่านมีสติเดินตายก็เรียบร้อยตายมีสินมีธรรมจิตใจก็มีปัญญาจะทำอะไรก็เรียบร้อยอ่อนน้อมอ่อมช้อยละม้อยละไม้เรียบร้อยไปทั้งได้ตายเรียบร้อยไปได้กว่าจาก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 จุดมุ่งหมายอันนั้นก็ทำให้สมาธาเป็นการศึกษาให้ชัดเจนในรูปธรรมนามธรรมเวทนาที่ปวดมันก็หายไปจิตก็ไม่ผวงสงตาจิดก็ไม่ประยึดเหนียวอุปาทานก็ไม่ประยึดมันสติก็ดีขึ้นจิตใจก็เป็นกุศลเป็นปัญญาแล้วนั้นเวทนาก็ิดขึ้นดับไป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 ถ้าทำผิดลอกผิดจุดแล้วท่านจะทำได้ถูกต้องหรือประการใดจะไล่ความหมายขาดเถตุผลจิตใจก็ไม่เข้าครูสอนเทศนาจิตไม่ถึงเึง่องโดยธรรมะเข้าไม่ถึงมันไม่มีโอกาสจะซึ้งใจได้แน่นอนจิตใจก็เลยเพลาดพาดเหมือนคนเดิมไม่ผิดทำยังไงก็เป็นคนเอะเลืมอยู่นะไม่ดีกว่านั้นเลย คนที่ดีมีปัญญามันจะเปลี่ยนภาวะมันจะเปลี่ยนนิจัยให้เข้าสู่ในความดีขยันมันเพียนตลอดเลยการจิตจะไม่ตกไปพบลามกจิตใสใจะสะอาดบริสุทธิ์จิตจะไม่ลามกสกปรกในตัวเองก็มีความสะอาดปราศาจากมลทินและความสมองโดยจิตตาอุปัสนาสติปัฏฐานจิตสะอาด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 ไม่อยากเป็นกุศลแต่ประการใดควรจะเปลี่ยนภาวะแลกแต่ไขปัญหาตรงนั้นชีวิตท่านก็จะแจ่มใสจะไม่มัวหมองชีวิตท่านจะผ่องใสและผ่องแผ้วจิตใจจะคลายแคล้ ว, ว่วงมานจิตจสันดานก็จะหายไปความดีมาแทนที่ไอสันดานไอสันดอนก็จะหมดไปจิตใจจะไม่เป็นสันดานนอนเนื่องในะสันดานอนุสัย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 ไม่ไดาอะไรถูกต้องทุกประการเพราะท่านอา่านแต่หน้าปกคํานํายังไม่ได้อ่านเลยว่าเรื่องอะไรอ่านแล้วจะได้ประโยชน์อันใดทํมมาไมต้องพิมพ์เรื่องนี้ด้วยฉันใดก็ฉันนั้ น, นท่านมากันมาทั้งหนุ่มทั้งสาวทั้งสูงอายุและไม่สูงอายุ ออกแบบเดียวกันหมดเลยอ่านแต่หน้าปกก็ยังอ่านไม่ออกบอกไม่ได้ใช่ไม่เป็นแถมคำนำก็ไม่รู้ว่าเขานำอะไรเขาทำอะไรไม่รู้เรื่องเลยกลับแล้วกลับแล้วกลับไปถึงบ้านแวงก็ถามเป็นไงแล้วแกงไปปฏิบัติคำมาดาอะไรไม่รู้เรื่องกับเขาเลยนี่เนี่ยอย่างนี้เสมากไม่ได้เรื่องและปรับเปลนเวลาที่มาด้วย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 บางคนอยู่ในวัดนี้ว่าฉันดีแล้วมันไม่ดีแต่มันอวดรออดดู้อวดดีอวดว่ามีปัญญาหอเท็จจริงไม่มีเนื้อหาสาระแต่ปร ะ, ะการใดเหมือนคนว่างไปว่างมาเปล่าไปเปล่ามาไม่มีอะไรติดเป็นเชื้อไขมีแต่สนิมในใจมีแต่เรื่องเลวเรื่องร้ายเรื่องหาสาระ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 เขการไปเพื่ออะไรก็ยังไม่รู้เหมือนท่านมาเจริญกรรมฐ า, านยังไม่ได้เรื่องอะไรเลยขวาย่างซ้ายอย่างก็เดินไม่ได้กำหนดหาสติการกำหนดยืนหนอ ก, ก็ไม่ได้ยืนหนอตั้งสติให้ได้ยังไม่มีใครทำได้หรือเพราะไม่อยากจะทำไม่สนใจที่จะทำไม่สนใจที่จะคิดไม่สนใจที่จะ ส, โโสนสร้างสติ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 เพียงวันน่าจะไม่กลับไปทางต้นมันก็จะเลี้ยวลัดอัจสดงคตถ้าอาทิตย์ก็เลี้ยวชายมาพรับอัจสดงคตตกไปแล้วเราได้อะไรต่อในวันนี้น่ะคืนวันนี้จะได้อะไรหรือจะไปนอนนั่งนั่งนอนนินทาชาวบา้านแล้วก็นอนนึกแต่ไอ้เรื่องที่ชู้ชั่วเอาตัวไม่หลอดดังสติไว้ทุกอริยบท ปรากฏธรรมท่าน จ, นจาึงจะพบความดีในจิตใจของท่านท่นทานจะคิดว่าตัวดีมีปัญญาแล้วจะใช้ไม่ได้เลยทตั้งหลายเอ่ยอานตามาประสบมามากมาจริงจิจิตนี้เนี่ยมันจะดีได้ยากมันจะคิดอีปาเถะคิดบ้าบ้าบ่บถ้าสติทั้งปัญญากาหนดจิตได้จะคิดจะเลื่องดีจะคิดลิเริ่มให้จเจริญ ไอ้เดินไปข้างหน้าพระจิตท่านตกขาดสติสัมปชัญญะจิตเจลามกโมกรกอบเหมือนเดิมเหมือนท่านมานั่นเองแล้วท่านก็ไปตามเดิมน่าจะคิดว่าเราคลอดจากทัพพาของมารดาจิตประพัดสอนติตผองสายทุกคนมาคลุกฝุ่นกันข้างนอกมาคลุกกิเลกันข้างนอกให้จิตเศร้ามองตลอดในการน่าจะตีความหมายว่าจิตภระพัดสอนเหมือนเธอมา มีจิตร่องใสมาคลุกคล้ากกับกิเลสโลกโกรหลง ป, ปทัทุฑทะาลมาคลุกคล้ากกับอันตาพานมาคลุกคล้ากกับบันดิตสร้างความคิดแตกต่างกันไปคบผานก็ได้ผิดคบบันดิตได้ผลอย่างนี้คบคนชั่วเนี่ยทำตัวอาบจนคบคนดีได้ผลจงวันตายหมายความว่าอลารครบผานได้ผิดก็คือสติจิตนี่ มันขาดสติท่านจะพบคนผานในจิตท่านถ้าจิตท่านมีสติและมาชัชฉาญยากำหนดสติปัฏฐานสื่อควบคุมเขาไว้ได้จิตท่านจะเป็นบัณฑดิดกันจะพบบัณฑิตในตัวท่านอย่างนี้ถึงจะถูกต้องไม่ใช่คนโน่นชั่วคนนี้ดีบ่าบอคอแตกกันกรอบกล้วกันนาวายล้ังหลอกบอกไม่ได้นี่แหละดิศาผีสิงมันอยู่ตรงนั้นดิศา ผีมาเข้าแผ่เมตตาผีก็ออกหมดรับรองได้เลยแต่มาประสบไอ้ผีแาดมันมาเข้าที่จังหวัดสุพรรณบุรีเราก็ใช้เมตตันใช้กรณียเมตตันยาตรภาวนาเข้าไปผีมันออกไปได้มันก็มาบอกเราคือเมตตาไอ้ผีดุษฎีศรีสิงนน่ยสวดกรณียเมตตันยาตสทั้งหมื่นจบมันก็ไม่ออกผีมันไม่ออก ผีมาหลอกเรามันหลบเข้าหลบออกของมันอยู่ในจิตใจมาวายหลังหลอกอยู่ในผีดุสาาผีผีสิงดูในจิตของบุคคลนั้นร้อยเปอร์เซผีไม่ออกแนะ่เมืม่อห่เมตตาไปยังไงผีมันก็ไม่ออกทำไมไม่ออกเพะเหจะได้เพราะผีมันสนักแน่แน่นโดกิเลสแน่นโดทิฏฐิ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 ต่อองค์จ้าเด็กตั้า ม, มาทุนประจาเลยไม่มีเลยนาวายลลังหลอกผีดีสา พ, พีศินสิงไปที่โนนสิงไปที่นี่ไอดีสาตัวนี้สำคัญพาเที่ยวมันพาคนนั้นเที่ยวเที่ยวไปดินทาเขาเที่ยวไปกล่าวลายใส่ปายฉีเขาตลอดท่าท่านทั้งหลายเอ๋ยถ่าท่านมาเจริญสติปัฏฐาน4ีเจริญจะกรกมามฐานขันห้าลูกนามเป็นอารมณ์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 อวชาดานหายตัวที่ถีก็หายนี่เนี่ยดีศาศผีสิงมันจะออกไปด้วยสติสัมปชัญญะขาดสาติสัมปชัญญะแล้วตัวดีศาศผีสิงมันก็สิงตัวดำเดิมดิศามากเลยคท่านทั้งหลายที่มาอยู่วัฏวันไม่ตกรัวผีไม่ตกรั ว, ผ, วผีเปรตเมตตาตัวเดียวเปรกก็ออกมาขอทวนบุญเมตตาตัวเดียวแล้วดีศามันก็ออกมาขอทุนบุญ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 ที่นองเนี่ยคัมภปฏิบัติที่รักประธานมือสติธรรมัญญะทันจะพบบันดิตที่จิตของท่านจิตของท่านจะเป็นนักปรารถนมีความสามารถองค์อาการปฏิบัติงานแนละโดยชอบประกอบกรรมดีไม่ประกอบกรรมชั่วจะประการได้ผีเข้าเรื่องเล็กผีหลอกเรื่องเล็กอธรรมะตัวคนหลอกคนที่หลอกได้มาก ไม่เอาเลยผีเขา้าผีออกมาหลอกเลองกันใช้ได้เลคนที่มีสติดีมีสมาธิดีจะพบบัณฑิตมีความพลิกสูงจะทําอะไรก็มีแต่บัณฑิตจะทําอะไรก็ริเริ่มทางที่ดีจะทําอะไรก็สร้างความดีมีปัญญาแต่หากว่าทางขาดสติฉะ ม, มัจัญญะมาลายผีดิบเขา้า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 อาเทวันนาจะพาลานางปันติตาปัปจะเทวนาอย่าเสววกถ้าท่านมีสติจมัมมชัญญะดีท่านจะไม่เสววอกใดคนอันตาพานปัติลูปเทสวาโศลแต่ จ, จะอยู่ในประเทศอันสมควรพอแท้จริงเป็นประการได้ปัติลูปเทสวาสะแต่ จ, จะอยู่ในประเทศสมควรที่เหมาะสมที่สุดออกมาปัิิลูปัง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 หอมพระเหลืองแล้วก็เป็นคลรวะตามเดิมนุ่งเลียงไม่ได้นี่ปฏิลูปังไม่จัดรูปแบบเลยนะพระพุทธเจ้าสอนพระสงองค์เจ้าจัดรูปแบบปฏิสังาโยนิโชติวัลังปฏิเสวามิจัดรูปแบบปฏิลูปัปงปฏิสังาโยนิโชบินทะปาตังปฏิเสวามิจัดรูปแบบยะถาปัจจยังติวัลัง บินถปาโตเสนาธนกีฬาเพศท่านสอนดีเลิศเกินจะรับประเคนท่านทายกทายิกาก็ดโดยความเคารพพิจารณายาถาปัจจียงนั่นคือประกรรมฐานเวลาจะขบฉันอาหารก็ปฏิสังขโยในโชบินถปาตังปฏิเสวามิจัดปฏิลูกปังลูกแบบแต่ฉันอาหารก็ค่อยๆ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 จะเป็นการเปลี่ยวหวานมันเพนจะทานได้ไม่ได้พิจารณาก่อนว่าเราโพชนเมนมตะนิตารู้จักประเมินประมาณอาหารแต่พอสมควรไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปให้พอดีพอดีเหมาะสมทําตัวให้เหมาะสมให้เข้าว่าเขาได้ปรับตัวให้เขา้าก็เด็กได้เข้าผู้ใหญ่ได้อย่างนี้เธถึงจะเรียกว่ากรรมฐ า, าน ทานอาหารเรียบร้อยช้อนก็นไม่ดังไม่ขูดจานไม่โกรธจนเกลิง้งกล้งเกล้งกล้งอะไรอย่างนี้เป็นต้ตนเนี้อสงัดอยู่ด้วยความสงบเนคขัมมะแปลว่าอยู่ด้วยความเรียบร้อยอยู่ด้วยความสงังกัดและก็อยู่ด้วยความสงบจึงเรียกว่าเนคขัมมะปฏิบัติไม่ใช่บวชชีพราม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 ทำเราให้เราต้องเสียเอกเสียใจเพราะกิเลฐานที่คือค่าศึกของชีวิตเราก็ต้องมือสนามรอบที่จินที่อยู่ที่อาศัยเป็นสนามของชีวิตต้องให้เหรียบลอยดูด้วยความสงบนัดถีนั้นตีพลังสุขังสุขอื่นทิ่งความสงบไม่มีอีกแล้วทำตัางหลายอย่าวุ่นวายใจ ทำใจให้สงบทำใจให้สะอาดตาดจากมนทินถ้าจะพบบัณฑิตถ้าจะไม่ไปคบกับพานิชยต่อไปถ้าจิตใจท่านไม่ดีอารมณ์ร้ายเกิดขึ้นกับตัวท่านัารจะพบอันตรพานมาทิ้งโนนทิ้งนี่เวียงโนนเวียงนี่บา่าบอคอแตกหน้าเหมือนยักษ์หน้าเหมือนมารหน้ า, น า, นาเป็นรูปรกายจะตายตอนนั้นสาหับเป็นสามพูเวสี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 นี่ครัเป็นความจริงเนื้อธรรมะปฏิบัติถ้าเป็นพระปิสุเรียบร้อยมีปฏิสังขโยมีอะชะมายาอะฉะยะยะถาปัจจะยังเรียบร้อยผู้ดีเจมคั่นการเจริญกรรมฐานคือผู้ดีเจมคั่นองค์สมเด็จตั้งมาทั้งมือทั้เจ้าจาักรพัทและจกักรภพลาลบธรรมเอามาสอนพระปิสุในประธรรมวิญัยนี้คือผู้ดีสําคัญ เอาของพระราชาพระมหกรรมศาต์มาสอนว่าผู้ดีเขาทำกันอย่างนี้พระนี่เป็นผู้ดีจนขั้นทำเรียบร้อยหมดไม่อะไรก็เรียบร้อยจะเดินเหินปางพุทธลีลาส<ม>วยหน้ารักหน้าเคารพหน้าบูชาหน้ากราบหน้าไหวหน้าสั้นเริญจรเญนพรเดี๋ยวนี้ไม่นำตามตามอย่างนั้นแล้ว อาจจะเลงกรรมฐานจะสวยน่ารักทั้งคารวาสทั้งพระบรรพชิตทั้งสร้างพ่อคิดนาเลียมสายศรัทธาขยันมันเพียรทำปิติวัดไม่ขาดอย่างนี้เถทั้งหลายก็ไม่ว่ากันละจะเป็นพระทองเหลแดงทองเหลืองก็แล้วแต่เนื้อหาของพระพระเขาเอาทองเหลืองหล่อมากา้พระเศรษพระองค์นั้นเป็นทองคําก็เป็นไม่ได้เขาเอาดินปั้นมา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 หากว่าท่านไม่มือถึงจะมาที่ปัญญาไกลศึกษาสามอันจะแสะดงค่าทีปยามารยาจะไม่เป็นชะเป็นเนินไม่มีกดเกิน์วิธีการแต่ทาอะไรก็เสียหลักเกินวิธีการของพระสงฆ์องค์เจ้าตามพระธรรมวิธีไหนนี้นกระทบฉันอะไรก็พิจารณาอาหารฉันเชี่ยวให้ละเอียดเยินหนอเที่ยวหนอ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 คลิกเขาก็มากันมากหนาหลายตาเอาไปใช้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของเขาเขาก็จะได้ประโยชน์ไม่มีโทษแต่ประการใดออกมาจะแตกให้ปัญหาได้ดังที่ชี้แจงจแสดงมานดนี้กระสงองเจ้าก็ต้องสํำรวมสังวระวางเหมือนโยอมยมประส้ำรวมคือสติระลึกอยู่เสมอสังวรมีความรู้ตัวว่าดีทั่ว กิริยามารยาจะมนี้เหมาะสมไม่ในสังคมละวางหยาบละหมาดหยับช่าอย่าละโอกาสอดีงามนั่นคือตัวปัญญาจะได้หลอกลูในกองกางสั้ขานทุกวิถีทางของชีวิตต่อไปก็คงไม่เป็นถีกะหังไม่เป็นถิงกระสือต่อไปถิงกระสือใตัวนี้มันแย่มา ก, กขอฝากไว้ยอย่าพบทานึ่งเอาจุดของท่านเติมบัณฑิต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 ขอให้ตาสงอ ง, องเนรเถระยาขาดช่วยกันถวายเป็นพระราชกุญนตสวจมนต์าพระยาขาดละกาตอนแล้วก็ถวายช้ ย, ยมงคลแก่พระมหาบพิตรระพธลาดพระ บ, บพิตรสถิตมหาสีมาสาธนุประถามพกยกยองพระพุทธศาสนาคือองค์พระลาชา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 เขาไม่รักองค์พราชาเลยเลยออฝากไว้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยว่าวาวเมีโปรได้ดทราบทั่วันด้วยไม่มีการรักฉันอาตามาเนี่ยเสียสลชีวิตได้จะถาวายเป็นพระพราชพิธีถาวายทุนชัยพัฒนาของท่านทุกวันที่เก้าเนี่ยเราเห็นอกเห็นใจการก่อุติชาพระราชพทธา็ไวายช่างอัฐ า, ท, าที่นี่เป็นท่างที่เก้า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 ไม่อยากจะทำกันออกไม่เป็นไรนะสามาองเดียวก็ต้องสู้ต่อไปแล้วรู้สึกว่าสงสาระจะเจ้าอยู่หัวต่างสองประทวนโลกัาไทยท่านยังไปช่วยโยมช่วยญาติพี่น้องประชงลิกรนนะ้ำท่วมที่ไหนท่านก็ไปช่วยวัดเราท่านกุครกุศลมาให้ถึงร้อยดาวสประสอบแล้วพี่น้องชาววัดวันไม่เห็นบ้างหรือแต่เราจะเขาะเขวายต้นไม้ปลูกให้ท่านสักต้นหนึ่ง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 ยาบโยมมีที่ปลูกไว้โยมที่มาป่าปฏิบัติเนี่ยธรรมะมีที่อะไรก็ปลูกสักต้นนึ่งเะการจะนาพิเศษเนี่ยปลูกให้หลวงสักต้นได้ไหมเลือตัวจะเปลี่ยนที่ไายปลืองที่ก็ไม่ต้องแต่ต้องปลูกเอาดินว่าสายลงต่อไปเอาไปไปปลูกในชาติหน้าต่อไปก็เอาเนี่ อ, อ็ไมาว่าไรการขอตัดงดเว้นในการปลูกต้นไม้เท่าไปเกียย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 แในทางรวมบุญแล้วพระองค์เนี่ยทรงเหนือญาติพระวรกายมากมาถึงห้าสิบ ป, ปันจ่าในมีเราได้รับความร่มเย็นเป็นสุขด้วยบารมีของพระองค์ท่านก็ยังมาชี้ชี้กตัญญูก็บตัวเวทิตาท่านเพราะไม่ได้แต่ย่อเะพูดผลอะไรกับท่านนังหลายก็ไม่เป็นไรตัมมาก็ขอนขอโมทนาสาธุ ก, การแต่อุบาสกอุบาสิกาทุกท่านตลอดเราพระสองฆ์องค์เจ้าผู้ใจบุญกุศล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 โปรดชำระข้อนี้ไวม้มางก็จะดีถ้าจะได้อยู่เย็นเป็นชคเด็ต่อไปเพราะอำนาจปุณปะชีและอำนาจใหญ่อำนาจบูญกุศลทั้งหลายโดยประทานพรให้ญาติโยมพี่น้องทั้งฝ่ายบยรรพิตจิตตะเกหากผู้สร้างความดีสางกุศลบุญยาลาถือเบิกการปฏิบัติธรรมนื้อคำมะปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจงจเจริญรุ่งเรืองวัฒ น, นาสถาพรงอกงามไพบูรณในประพุทธศาสตร์ฉนา สององค์เฉลิมเดประชมมาทุลิมเดชเจ้าและชมเจริญไปด้วยอายุวันนาถูกาพลาปฏิภาณธนาสารชมบัตเมตุสุหนุาา น, นประการได้สมความมุ่งมาจากตนาโดอการทุกฤดทุกนามหน้าโอกาสบัตรนี้เธินสัพโลท้าเวนิโมโตุสัพปาน บาวันตัวจับพระเวลามาตื่นตาตัวนึ่งตวจะตวาจเ่อนไม่วางาติตัวจับาลวนวิตัดตัวมาเะียบาวันวันต เพื่อ่อายุคาวปิวันเมียนาเมียัจงวัาปชาน้อยจันตาโรตามาวันตาติอายุวันโนสุข โตเวบัจฉนานางอาคันกามังอาเทาบัวเทามัจฉันนานาอัเันา ป่าข้ามแม่ i ุ n t นอาเข a ชังเขนป่าจันานางปูนหยักเขียดเรานนท์อาข้ามแม่ดานางด่างดังอาด่างปูนหยัง ตาเท่าพังายุเจวันโนอาจะยาโซเตือตุทขังอาคาสะคาตาเมะชาวยอธรรมมาจำมาฮิโซเธอวะโนมาโนโซวะ สวรรตดตะลังลังลาขันตูจัทวตาัพระพุทธานุเวกอสวรตเตาสวับตะลังลขนตัวตา ตทมาณุภาเวตาตากอดเทวานตูเตวาวนตูฌามตาลังลันตูฌาปวตาจาัมคานุเวนัสตตด